เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงการานญาติโยมจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ สร้างกุศลเพราะบุญนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราสมบัติอย่างอื่นในโลกนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของเราเป็นเพียงของยืมเขามาเวลาที่เราจากโลกนี้ไปสมบัติต่างๆเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถยนต์ เป็นเงินเป็นทองเป็นบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นสมบัติของเราเราเอาไปไม่ได้สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญเท่านั้นบุญนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะพาให้เราได้ไปสู่ภพชาติที่ดีต่อไปไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพาไปถ้าไม่มีบุญมีแต่บาปก็จะต้องไปสู่อบายไปนรกไปเป็นเดรัจฉานนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตย เห็นแล้วนำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราจึงควรเชื่อแล้วพยายามทำบุญกันให้มากๆทำบุญทุกเวลาที่เรามีโอกาสอย่าปล่อยให้เวลาที่ดีนี้ผ่านไปเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้พบอื่นชาติอื่นเป็นที่ใช้บุญใช้กรรม ไม่ได้เป็นที่สร้างบุญสร้างกรรมมีภพของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสร้างบุญสร้างกรรมได้ดังนั้นขอให้เราสร้างแต่บุญอย่าไปสร้างกรรมหรือบาปเพราะมันจะส่งให้เราไปเกิดในที่ไม่ดีพาเราไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแต่ถ้าเราทำบุญอย่างเดียวบุญจะพาเราไปสู่ ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความรบเย็นมีแต่ความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆดังนั้นพวกเราไม่ควรที่จะมองข้ามการทำบุญไปควรจะถือการทำบุญนี้เป็นภารกิจอันแรกเลยก็ว่าได้ส่วนภารกิจอื่นๆ น, นั้นต้องถือว่าเป็นภารกิจสนับสนุนในการทำบุญ เช่นการทำมาหากินหาเงินหาทองเราต้องถือว่าเป็นภารกิจที่สนับสนุนที่จะช่วยให้เราได้ทำบุญกันเพราะถ้าเราไม่มีเงินทองจากการทำมาหากินเราก็ไม่สามารถเลี้ยงดูร่างกายของเราให้อยู่อย่างปกติได้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะมาทำบุญกัน ดังที่เรามาทำกันในวันนี้ได้แต่อย่าไปหลงคิดว่าการทำมาหากินหาเงินหาทองนี้เป็นภารกิจแรกขอให้ถือว่าเป็นภารกิจที่จาเป็นที่จะมาสนับสนุนภารกิจที่สาคัญกว่าคือการทำบุญนั่นเองดังนั้นเช่นในวันนี้เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่าง แทนที่เราจะไปเที่ยวไปหาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเราก็มาวัดมาทำบุญกันบุญนี้เกิดได้ด้วยหลายวิธีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีถึงสิบวิธีด้วยกันที่จะทำให้มีบุญเกิดขึ้นมาได้วิธีแรกเรียกว่าทานทานก็คือการให้เช่นวันนี้ญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหาร ของข่าวของหวานมาถวายพระเรียกว่าเป็นการให้วัตถุทานวัตถุทานนี้ก็เป็นทานชนิดหนึ่งทานอีกชนิดหนึ่งก็คืออภัยทานคือการให้อภัยผู้ที่สร้างความโกรธแค้นสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเวลาใครเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดี ทำให้เราต้องโกรธแค้นโกรธเคืองขอให้เราให้อภัยเขาเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองนี้เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจของเรายิ่งกว่าผู้ที่กระทําให้เราเกิดความโกรธแค้นถ้าเราไม่มีความโกรธแค้นแล้วต่อให้ใครเขาทําอะไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใจของเราแต่ถ้าเราปล่อยให้การกระทําของผู้อื่น ทำให้เราเกิดความโกรธแค้นขึ้นมามันก็จะมาทำลายจิตใจของเราเพราะความโกรธแค้นนี้เป็นเหมือนไฟเวลาที่เราโกรธนี้เราจะไม่อยู่ในความสงบเราจิตใจจะว้าวุ่นขุ่นมัวจะพยายามที่จะหาวิธีดับความแค้นด้วยการไปพูดด้วยการไปกระทำในสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดับ ความแค้นที่แท้จริงการดับความแค้นที่แท้จริงนี้ต้องดับด้วยการให้อภัยใครทำอะไรแล้วเราให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาเท่านั้นไฟความแห่งความโกรธแค้นก็จะดับไปหรือให้คิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าใช้กรรมเก่าไปเราคงไปทำอะไรเขามาในอดีตจึงทำให้เขา ต้องมาทำอะไรกับเราแต่เราจะไม่ตอบโต้เพราะเราไม่อยากจะให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปเราขอใช้นี่อันนี้ไปพอเขาได้ทาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วต่อไปเขาก็จะไม่มายุ่มกับเราอีกแต่ถ้าเราไปตอบโต้ก็จะทำให้เขาเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาใหม่เขาก็จะกลับมาทำเราอีก แล้วเราตอบโตออ้เขาก็จะกลับมาอีกจะไม่มีที่สิ้นสุดดังในในพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเวรย่อมไม่รับย่อมไม่ระนับด้วยการจองเวรเวรย่อมระนับด้วยการไม่จองเวรการไม่จองเวรก็คือการให้อภัยนี่ก็เป็นทานชนิดหนึ่งเป็นบุญชนิดหนึ่งเหมือนกับบุญที่เรามา เอากับข้าวกับปลาอาหารมาถวายเพราะจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความสบายใครทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองแล้วเราให้อภัยเขาแล้วยิ้มได้เรามีความสุขดีกว่าเราวุ่นวายรุ่มร้อนในจิตใจบุญทานอีกชนิดหนึ่งก็คือวิทยาทานคือการให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นคนเรามีความรู้ความสามารถ แตกต่างกันคนที่มีความรู้ความสามารถมากย่อมได้เปรียบกว่าคนที่มีความรู้น้อยถ้าเราแบ่งความรู้ให้กับผู้ที่เขามีความรู้น้อยกับเราเขาก็จะได้มีโอกาสดีขึ้นชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นมีโอกาสทำมาหากินมีรายได้ได้ดีขึ้นกว่าเก่าการให้วิชาความรู้ก็เรียกว่าเป็นทานอย่างหนึ่ง เป็นการเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นวิทยาทานและทานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าธรรมทานคือการให้ธรรมะเช่นการบอกเล่าเรื่องธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้อื่นเช่นเวลาผู้อื่นเกิดความทุกข์เศร้าโศกเสียใจโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทเราก็เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาบอกเขา ว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้อาฆาตายบาทพระพุทธเจ้าสอนให้ให้อภัยถ้าเขาให้อภัยได้เขาก็จะได้รับประโยชน์เขาก็จะได้รับความสุขผู้ที่ให้ธรรมะแก่เขาก็จะมีความสุขเห็นเขาได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆไป หรือถ้าเราไม่มีธรรมะในตัวของเราเองเราอยากจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเราก็อาจจะซื้อหนังสือธรรมะไปแจกใจ่ายให้กับผู้อื่นก็ได้เราอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนแล้วรู้สึกว่ามีคุณมีประโยชน์เราอยากจะเผยแผ่ให้กับผู้อื่นให้เขาได้รู้ได้ประโยชน์จากธรรมะเราก็พิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันหรือซื้อหนังสือธรรมะ แจกันนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานนะการให้ทั้งหมดนี้เป็นบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะให้กับใครก็ตามให้กับพระก็เป็นบุญให้กับคารวาสก็เป็นบุญให้กับเดรชานก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะบุญแปลว่าความสุขความอิ่มใจเนะี่ยดังนั้น <c oughs> ขอให้เราพยายามทำบุญกันชนิดแรกก็คือทาน ชนิดที่สองวิธีที่จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาก็คือศีลการใบ้เบียดเบียนกันการละเว้นจากการกระทำการพูดต่างๆที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาการกระทำเหล่านี้ ไปการกระทำที่จะเกิดความเสียหายให้กับทั้งตัวเราและกับผู้อื่นถ้าเราละเว้นจากการกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เรามีความนุ่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าเราไปทำเราก็จะมีความวุ่นวายตามมาเราจะมีความหวาดกลัวที่จะต้อง ถูกเขานำไปลงโทษจับไปลงโทษจับไปขังในคุกในตารางแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจเราจะมีความสบายใจเสมอนี่คือบุญวิธีที่สองที่จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาวิธีที่สามเรียกว่าภาวนาคือการทำจิตใจของเราให้สงบให้สะอาด ชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุที่ทำให้ใจเรารุ่มร้อนมีความทุกข์เวลาเราหลงเวลาเราโลภเวลาเราโกรดนี้ใจของเราจะร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ทำภาวนาทำสมาธิทำวิปัสสนาก็จะระงับความโลภความโกรธความหลงให้เบาบองลงไปและหมดไปได้ถ้าใจของเรา หมดสิ้นกิเลสเมื่อไหร่ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเช่นใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ชำระใจด้วยการภาวนาจนสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่ในใจเลยใจของท่านก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นพระนิพพาน ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปทุกข์อีกต่อไปบุญนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งแต่เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะยากยังไม่ค่อยมีคนชอบทำกันไม่มีใครอยากจะนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆไม่ให้คิดอะไรแต่ไม่เห็นคุณค่าของความสงบเพราะไม่เห็นคุณค่าของความสงบเวลาถ้าได้จิตได้สงบนิ่งมาหลายแล้ว จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้พบได้เห็นได้สัมผัสนาดังนั้นถึงแม้จะยากอย่างไรขอให้เราพยายามทำกันเถิดไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้พบกับบุญอันประเสริฐนี้ความสุขอันประเสริฐนี้ ประการต่อมาวิธีการต่อมาที่จะทําให้เกิดบุญก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเช่นเรามาทําบุญวันนี้แล้วเราก็มีบุญไว้แจกผู้อื่นผู้ที่จะรับบุญได้นี้ต้องเป็นผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เขารับบุญไม่ได้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ต้องทําบุญเอง เช่นวันนี้เรามาทำบุญแทนลูกเราไม่ได้ถ้าลูกเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องเอาลูกเรามาทำบุญด้วยเขาก็จะได้บุญแต่บุญอุทิศนี้เราจะอุทิศได้แต่เฉพาะที่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นบิดามารดาของเราในเทศกาลสงการนี้จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรุษต่างๆก็าาาอาศัยบุญนี้บุญที่เราทำนี้อุทิศไป กับข้าวข้าวของต่างๆนี้เราอุทิศไปให้เขาไม่ได้เช่นพิธีที่เขาไปไหว้ศพตามหลุมฝังศพต่างๆเอาอาหารข้าวหวานไปไหว้ศพศพไม่ได้รับประทานอาหารนั้นศพนั้นเป็นกายเป็นดินกลายเป็นกลายเป็นอะไรเป็นหมดแล้วผู้ที่ร่งวงับคือเจ้าของร่างกายนั้นไม่ได้อยู่ในหลุมฝังศพแล้วเขาไปเป็น ไปสู่พบอื่นๆแล้วสุดแท้แต่ว่าบุญก ร, รมจะพาไปแต่ถ้าเขายังวนเวียนอยู่ยังเป็นสัมภเวสีอยู่หรือที่เรียกว่าเป็นเปรกอยู่เขาก็จะรอรับส่วนบุญของเรา <c oughs> ถ้าเราอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้กับเขาเขาก็จะได้รับประโยชน์เขาก็จะได้มีความสุขเหมือนกับได้รับอาหารได้ได้เงินได้ทอง ได้เสื้อผ้าเพื่อเขาจะได้อยู่อย่างสุขต่อไปนี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญอีกอันนึงเรียกว่าบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเช่นเวลาผู้อื่นทำบุญแล้วเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยถ้าเราไม่มีเงินมีทองเพียงแต่เราแสดงความยินดีในการทำบุญของเขาเราก็ได้บุญเช่นเดียวกัน พรใจของเรามีความสุขต่างไปด้วยต่างกับผู้ที่ไม่เห็นชอบกับการทำบุญของผู้อื่นจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเวลาเห็นคนอื่นทำบุญแล้วกลับไปหวงเงินหวงทองของผู้อื่นแทนเขาทาั้งๆที่ไม่ใช่เป็นเงินทองของตนเองอย่างนี้แทนที่จะได้รับความสุขตนเองกับได้รับความทุกข์ไม่ได้บุญ แต่กลับได้บาปได้อกุสลภายในจิตใจดังนั้นถ้าเราทราบว่าใครก็ตามเขาทำบุญเราอย่าไปขัดขวางเราอย่าไปอิจฉ้าเราอย่าไปห้ามเขาเราควรที่จะแสดงความยินดีร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยเพราะการทำบุญนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษนะทั้งกับผู้กระทำและผู้ที่ได้รับการกระทำนะ นี่คือเรียกว่าบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาวิธีต่อไปที่จะทำให้เกิดบุญก็คือการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นถ้าเราเห็นผู้ผู้อื่นเดือดร้อนเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาเช่นผู้คนแก่คนชราคนพิการ เด็กเล็กอย่างนี้เราต้องช่วยเหลือเขาต้องรับใช้เขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ต่อไปการรับใช้ผู้อื่นไม่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเรียกว่าเป็นบุญเหมือนกันบุญอีกอย่างหนึ่งวิธีที่จะเกิดขึ้นก็คือการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่ไม่ถือตัว ไม่เป็นผู้คิดว่าตนเองเก่งตนเองฉลาดจนไม่สามารถที่จะคบค้าสมาคมกับใครได้ต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปอวดเก่งพยายามทาตัวให้เป็นผู้น้อยให้มีสมาคารวะเพราะจะทำให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่าคบค้าสมาคม คนที่มีเพื่อนกับคนที่ไม่มีเพื่อนนี้จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันคนที่มีเพื่อนจะมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจคนที่ไม่มีเพื่อนนี้จะเป็นคนที่มีความว้าเหวเศร้าสร้อยหงอยเหงา<อ>เพราะการทำตัวของตนเองไ ม, ไม่เหมาะสมให้กับผู้อื่นจะคบค้าสมาคมด้วยนั่นเองดังนั้นเราควรทำตัวของเราให้เป็นผู้ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอให้มีสัมมาคาระวะให้รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วเราจะมีความสุขนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมดังที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เวลาเราฟังธรรมแล้วเราก็จะเกิดปัญญา เกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในจิตในใจทำให้จิตใจเราโล่งเบาสบายความหลงต่างๆที่คอยหลอกให้ใจของเราห่วงเริ่มนั้นห่วงเริ่มนี้ยึดติดกับเรื่องนั้นยึดติดกับเรื่องนี้เรือกลักวกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ก็จะเบาบางหายไปเพราะธรรมะจะสอนให้เราเข้าใจถึงความจริงของโลก ว่าไม่มีอะไรน่าห่วงไม่มีอะไรน่ากังวลไม่มีอะไรน่ายุติจัดว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานั่นเองถ้าเราไม่คิดว่ามีสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่เป็นของเราเราจะไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลไม่มีความหวาดกลัวที่เหตุที่ทำให้เรายังมีความหวาดกลัวมีความห่วงอยู่ พอเราหลงเรายัางหลงคิดว่าสิ่งต่างๆนั้นยังเป็นของเราอยู่เช่นสมบัติข้าวของเงินทองอยังเป็นของเราลูกหลานสามีภรรยาเป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราซึ่งเป็นความหลงผิดไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราก็ต้องอยู่กับเราไปตลอด แต่ทำไมเวลาคนตายไปแล้วจึงไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องทิ้งไปแล้วเป็นของเขาหรือเปล่าเวลาเขาไปแล้วมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปต่อคนอื่นก็มาหลงยึดติดว่าเป็นของของเขาต่อแล้วก็มาแบกความทุกมาห่วงมากังวลมากลัวต่อเนี่เพราะความหลง แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราปล่อยวางไม่ให้เราไปยึดไปติดมีได้เรามีอะไรมีได้แต่เราให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราพร้อมที่จะจากมันไปถ้าเราพร้อมที่จะจากมันไปแล้วเราจะไม่หวาดกลัวเราจะไม่ห่วงจะไม่กังวลจะไม่ไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่พร้อมเวลาที่มันจากเราไป มันจะทำให้เราทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจจนอาจจะอยู่ต่อไปไม่ได้อาจจะตายตามไปด้วยก็ได้เพราะความหลงนี่เองนี่คือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราเพราะจะทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ภัยต่าง จึงขอให้เราพยายามทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆในชีวิตของเรานี้ไม่มีอะไรที่มีความสำคัญเท่ากับการทําบุญสิ่งอื่นๆนั้นเป็นเพียงแต่สนับสนุนเท่านั้นอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะว่าจะทําให้เราต้องทุกข์ต้องกังวลต้องหวาดกลัว เช่นในวันนี้ท่านก็ได้มาทำบุญกันในเวลาว่างเพราะไม่ต้องไปทำมาหากินก็ขอให้ทำอยู่เรื่อยๆอย่างนี้วันไหนมีวันหยุดไม่ต้องไปทำงานทาการก็ทาบุญกันทำที่วัดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ขอให้มีเหตุให้เราทำก็แล้วกันเห็นใครเดือดร้อนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเขาขาดแคลนอะไร มีอะไรพอที่จะแจกจ่ายให้กันได้ก็แจกจ่ายกันไปแล้วเราก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการทำบุญนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา